ความในใจชุดกระจกส่องใจเมื่อแสงธรรมเรืองรองส่องเข้าถึงจิตใจเมื่อนั้นสัจธรรมความจริงย่อมฉายแสงปรากฏความจริงดังกล่าวอาจจะชัดบ้างมัวบ้างหรือริบรีเป็นบางครั้งนั้นเป็นเรื่องธรรมดาราบใดที่เรายังไม่สามารถเข้าถึงจุดสุดยอด ของความบริสุทธิ์สะอาดนั้นได้ความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการพัฒนายกระดับของจิตให้เข้าถึงปัญญารู้ล่วงในทุกเหตุของทุกและสามารถดับทุกได้อย่างแท้จริงเป็นปัญญาจากการภาคเพียนพยายามจากการขัดเกลาของจิตให้รู้เท่าทันต่อทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มากระทบและรู้ทานอย่างมีสติรู้เหตุและผลของมันไม่ใช่รู้จากสัญญาการจามาแล้วนำมากล่าวอ้างอวดสรรพคุณว่าตัวเป็นผู้รู้ผู้วิเศษเป็นผู้หลุดพ้นแล้วมีมากมายสำหรับบุคคลประเภทนี้ซึ่งคิดว่า ตัวเองเป็นผู้รู้แล้วยังทับถมบุคคลอื่นว่าโง่เขลาแต่ความจริงนั้นเป็นการหลงผิดเสียมากกว่าอันตรายยิ่งนักถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนี้โดยไม่มีผู้รู้จริงกล่าวตักเตือนหรือหาทางแก้ไขมันก็อาจจะสายเกินแก้ในที่สุดก็เป็นได้ การทำความรู้จริงหรือรู้ถึงสัจธรรมของชีวิตอย่างแท้จริงโดยรู้เท่าทันเป็นเรื่องของความเพียรสัรจจะของความตั้งมั่นอย่างแท้จริงไม่ย่อท้อต่ออุบารคใดๆ น, นั้นถึงจะได้ลิ้มรสของความหอมหวานนั้นซึ่งทุกอย่างก็ต้องอาศัยเวลารวมถึงการมียุท ธ, ธวิธี ในการรู้จักใช้ให้เหมาะกับจริตของตนการทำปัญญาแทงให้ตลอดถึงทุกสิ่งต้องอาศัยการสังเกตการฝึกฝนมีสติทุกขั้นตอนฝึกให้มีสติมากที่สุดมีปัญญาด้วยการฝึกสติให้รู้เท่าทันสิ่งต่างๆ ที่มากระทบและดับได้ด้วยการเผชิญกับมันไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดแน่นอนบางครั้งเราอาจจะพ่ายแพ้ต่อมันหรืออาจจะล่อยครั้งก็ตามและก็แน่นอนในบางครั้งเราก็อาจจะได้รับชัยชนะอย่างสวยหรู เกินกว่าที่เราจะคาดหมายนั้นก็คือสัจธรรมอย่างหนึ่งของกฎไตรลักษณ์ที่เราควรรู้และปล่อยวางไม่ยินดียินร้ายเก็บมาเป็นอารมณ์ยึดถือขึ้นในจิตนั้นคือเราจะต้องรู้จักคำว่ารู้ทันและปล่อยวาง ในขณะเดียวกันจึงเป็นการยากที่เราจะสามารถปฏิบัติแบบนั้นได้โดยไม่มีการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อต้อนรับมันหรือพูดได้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันยากที่เราไม่มีการฝึกฝนหรือเตรียมพร้อมสร้างยุทธวิธีต่างๆ เพื่อที่จะรู้เท่าทันและนำมาใช้เป็นเครื่องมือของการทำความจริงให้ปรากฏขึ้นในใจเราเพื่อผลที่สุดจะเป็นความจริงที่เกิดรู้แจ้งในใจได้โดยไม่มีการลังเลสงสัยหรือแอบแฝงซ่อนเร้นเหมือนก่อนก่อน ที่เคยเป็นมาอีกต่อไปเครื่องมือหรือยุทธวิธีต่างๆมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลซึ่งจะต้องรู้และค้นได้ด้วยตนเองแต่ก็ไม่พ้นเรื่องของการฝึกสติจนกล่าวได้ว่ามีสติที่สมบูรณ์ สามารถรู้เท่าทันสัจธรรมความจริงของชีวิตระหนักและเข้าใจถึงกฎธรรมดาที่มันมีหรือเป็นอยู่และยอมรับในกฎธรรมดานั้นแต่มันจะต้องเป็นการยอมรับอย่างมีปัญญารู้เท่าทันอย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นการยอมรับแบบอาการของการปรงอย่างผู้แพ้หรือท้อแท้ที่จ ะ, ะเผชิญต่อสู้กับมันเหมือนคนมีสภาพจิตใจที่หดหูเศร้าหมองนี้ไม่ใช่นั่นเป็นการปลงตกที่จ ะ, ะเผชิญกับความจริง มันเป็นการยอมรับโดยปริยายแต่ทิ้งไว้ซึ่งความเศร้าหมองของจิตอย่างนั้นเป็นการแพ้โดยยังไม่มีการนับเสียด้วยซ้ำเพราะจิตที่รู้แท้ของความจริงต้องเป็นจิตที่มีปัญญาเป็นจิตที่เบิกบานผ่องใสรู้ทัน และยอมรับมันแบบคนเข้าใจในเรื่องของกฎธรรมดาที่มันต้องมีและต้องเป็นเพราะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเผชิญไม่สามารถหลีกหนีพ้นเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติหรือกฎธรรมดาที่มีดังกล่าวได้ แต่เราสามารถเปลี่ยนตัวเราเองได้ด้วยการฝึกฝนมียุทธวิธีการต่างๆสร้างปัญญาให้กับตัวเรานั่นเองการรู้และเข้าใจถึงกฎหรือสัจธรรมความจริงที่เป็นอยู่อาจจะยังไม่พอเพียงแต่เรา จะต้องรู้จักหลักอย่างหนึ่งคือรู้จักการปล่อยวางด้วยการรู้เท่าทันและดับมันได้อย่างมีสติพร้อมที่จะตึงและหย่อนได้ทุกโอกาสตามสภาพและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปล่อยวางไม่ใช่เฉยชาอย่างไร้สติ รู้เท่าทันอย่างมีปัญญาไม่ใช่สัญญาการท่องจำแล้วก็หลอกตัวเองในที่สุดว่านั่นคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่แท้จริงมันคือความสำเร็จที่หลอกตัวเองได้สำเร็จนั่นเองจริงอยู่ในเบื้องต้นเราอาจจะใช้สัญญา เพื่อทำให้เกิดปัญญาหรือใช้สมมุติเพื่อทำให้เป็นวิมุตติแต่เราก็ต้องรู้เท่าทันสมมุตินั้นด้วยไม่ใช่สร้างภาพหลอกเราโดยให้เกิดความเข้าใจผิดหลงผิดว่าสิ่งนั้นมันใช่จนเกิดความหลงอย่างใหญ่หลวง แม้กระทั่งหลงตัวเองแล้วพาลหลอกคนอื่นให้หลงตามตนได้อย่างแนบเนียนต่อเมื่อรู้มันก็สายเกินจะแก้ไขเสียแล้วนี่แหละเป็นสิ่งที่น่ากลัวซึ่งเราจะต้องระวังให้มากที่สุดเพราะมันจะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อและจุดจบ หรือจุดเริ่มต้นที่จะมืดมิดหรือสว่างสวัยได้ในขณะเดียวกันเราควรจะทำตัวเองให้เหมือนกระจกซึ่งไม่เคยหลอกลวงใครแม้แต่ตัวเราเองมีคนเคยเขียนกล่าวไว้ในเรื่องกระจกสองใจ โดยจะขอยกมาฝากไว้ดังนี้กระจกไม่เลือกที่จะสะท้อนภาพทุกชนิดฉันใดจิตใจจงเอาเยี่ยงอย่างกระจกกระจกรับรู้แต่ไม่ยึดถือครอบคลองดังนั้นจึงไม่มีภาพใดๆหลงเหลือติดอยู่ในกระจก สายฝนในกระจกหาได้เปียกกระจกไม่เปลวไฟในกระจกก็หาได้เผาลนกระจกเช่นกันทั้งนี้เพราะกระจกไม่ได้ให้อำนาจของสายฝนและเปลวไฟดังนั้นจงทำจิตใจของท่านให้เป็นดุจการรับรู้ของกระจก เพราะถ้าหากจิตของท่านหลงยึดถือหรือตกเป็นทาตของกิเลสเมื่อใดความทุกข์ความเศร้าหมองใจย่อมตามมาเมื่อนั้นนี่คือมักวิธีแห่งการเพ่งพิจรารณาและรับรู้สรรพสิ่งด้วยใจที่สงบบริสุทธิ์ว่างเปล่าจากการปรุงแต่ง เพื่อปลดปล่อยจิตใจให้ว่างเปล่าหลุดพ้นไปจากภาพมายาธรรมต่างๆที่คอยฉุดรั้งหลอกลวงจิตไม่ให้เห็นถึงความจริงซึ่งจะต้องพยายามทำจิตให้หลุดพ้นจากการยึดติดในสิ่งทั้งปวงเปรียบเสมือนกระจกสิ่งที่กล่าวมานี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิธีทางในการเลือกปฏิบัติหรือแนวทางหนึ่งที่ท่านอาจจะพบประโยชน์ในการค้นหามักควิธีในการหลุดพ้นได้ทางหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะขอยกมากล่าวเน้นก็คือการรู้จักปล่อยวางและรู้ทันการยึดถือต่างๆของจิต ที่ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือมีสติรู้ทันการเกิดดับเกิดดับตามสภาวะของความจริงในกฎแห่งไตรลักษณ์ซึ่งมีความไม่แน่นอนในการตั้งอยู่และดับไปตามธรรมชาติตามกฎธรรมดาที่มีอยู่และ ให้รู้จักยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดานั่นก็คือยอมรับนับถือกฎของธรรมดามีการวางเฉยมีปัญญารู้เท่าทันดังจะขอยกคำสอนของหลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวดังนี้ รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาเสียแล้วความอะไรในชีวิตมันก็ไม่มีเราศึกษาพระธรรมวินัยกันปฏิบัติสมถวิปัสนาธุระกันก็เพื่อความดับไม่มีเชือ้อคือการตัดอะไรในชีวิตเท่านั้นอารมณ์ที่จะตัดอะไรในชีวิตได้ก็มีอารมณ์รัก ธรรมดาคือยอมรับนับถือกฎของธรรมดาอย่าไปสนใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆให้มากนักเรื่องที่จะทำให้ถูกใจเราทุกอย่างมันไม่มีถ้าใจเราเลวแต่ถ้าใจเราดีเสียอย่างเดียวทุกอย่างในโลกมันไม่มีอะไรผิด ใจเราเพราะว่าเราทราบว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาความจริงการไปนิพพานที่เขาเทศกันยาวเหยียดที่เทศกันยาวเหยียดนี่มันไม่ถึงนิพพานไม่ต้องไปนั่งไล่เบี้ยต่ออะไรอีกตัดอยากเสียตัวเดียว ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเสียตัวเดียวทำใจวางเฉยในเรื่องกฎธรรมดามันเกิดถือว่าธรรมดาของมันเท่านี้อารมณ์ก็เข้าถึงพระนิพพานเข้าถึงอย่างไรเพราะตัววางเฉยเป็นตัวดับอารมณ์ดับความจุ่นจ้าน ดับตัวเกาะอะไรจะเกิดขึ้นแก่ร่างกายก็ถือว่าเฉยไว้เขาจะชมก็เฉยเขาจะด่าก็เฉยแล้วร่างกายจะเจ็บไข้ไม่สบายก็ทำใจสบายสบายเฉยๆยอมรับนับถือกฎของธรมธรมดาธรรมดามันจะอย่างไร คิดว่าร่างกายของเราเราจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่าใช้อารมณ์ฝืนกฎของธรรมดาจงวางอารมณ์เสียใครเขาจะอย่างไรก็ช่างเขาเขาจะดีเขาจะชั่วเขาจะเลวเขาจะอย่างไรก็ตามเถอะไม่สนใจ พยายามไม่ถือตนคนและสัตว์ก็ตามถือว่ามีธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเสมอกันมีอาการ32เหมือนกันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุด เหนนกนัสร้างอารมณ์ให้เป็นสังขารุเบขายานเฉยทั้งอาการที่เข้ามากระทบกระทั่งจิตใจในด้านของโลกีวิสัยเฉยทั้งคำชมเฉยทั้งคำนินทาเฉยทั้งได้มา เฉยทั้งเสื่อมไปเฉยหมดไม่มีอะไรสนใจพิจารณาจนกว่าจะเกิดอารมณ์เป็นเอกคาตารมคือจิตอารมณ์ยอมรับนับถือกฎธรรมดาเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนื่องด้วยตนหรือคนอื่นเป็นของธรรมดาไปหมด สิ่งกระทบเคยทุกข์เคยเดือดร้อนก็ไม่มีความทุกข์ความเร่าร้อนไม่ว่าอารมณ์ใดๆทั้งที่เป็นเหตุของความรักความโลภความกโกรธความผูกพันยอมรับนับถือกฎธรรมดาว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อาการอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาแท้ท่านว่า ครอบงำความเกิดความดับความตายได้เป็นต้นคำว่าครอบงำหมายถึงไม่สะทกสะทานหวั่นไหวใครจะตายหรือเราจะตายไม่หนักใจเพราะรู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องตายใครทำให้โกรธในระยะแรก อาจหวั่นไหวนิดนึงนอกจากระงับความหวั่นไหวที่เคยเกิดเคยหวั่นไหวได้แล้วจิตยังมีความรักในพระนิพพานยิ่งกว่าสิ่งใดสามารถจะสละวัตถุภายนอกทุกอย่างเพื่อพระนิพพานได้ทุกขณะมีความนึกคิด ถึงพระนิพพานเป็นปกติและให้รู้ว่าอารมณ์ทุกข์มันเกิดก็เพราะเราเกาะที่เรียกว่าอุปทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกกระทำแปดประการดังนั้นให้พวกเราใช้อารมณ์คิดอยู่เสมอว่าทุก์เป็นกฎธรรมดาของชาวโลก อย่าใช้อารมณ์ฝืนกฎของธรรมดามีการวางเฉยต่อทุกสิ่งแล้วอารมณ์จิตก็จะเป็นสุขนี่คือมักควิธีของการทำให้หลุดพ้นดูแล้วไม่น่ายากเกินที่เราจะปฏิบัติเครื่องมือในการปฏิบัติ ก็อยู่ในตัวของเราไม่ต้องไปค้นหาจากที่ใดให้ยากลำบากหาได้จากจิตของเราดวงเดียวเพราะจิตของเรานั้นจะมีสภาพของการเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่เราจะต้องมีสติ เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งในการกำกับจิตนั่นคือรู้เท่าทันจิตเมื่อรู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยวางเมื่อกระทบอารมณ์ต่างๆไม่ยึดถือมันในที่สุดเมื่อฝึกจนมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ก็จะเกิดปัญญารู้เท่าทานัน และจะปล่อยวางได้เองโดยอัตโนมัติดังจะขอคัดคําสอนของพระราชวุฒิาจารย์หลวงปูดุลอัุโลวัดบุรพารามอาเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ดังนี้หลักธรรมที่แท้จริงคือจิต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 การลากกิเลสจึงควรละที่จิตเพราะกิเลสทั้งหมดเกิดรวมอยู่ที่จิตให้เพ่งมองที่จิตอันไหนเกิดก่อนให้ละอันนั้นก่อนการแก้ไขความทุกข์ความกลุ้มใจซึ่งมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำก็มีหลักอยู่ว่าอย่าส่งจิต ออกนอกทุก์ต้องกำหนดรู้เมื่อรู้แล้วให้ละเสียหมายถึงให้รับรู้อารมณ์ความทุกข์ดังกล่าวแต่จิตของเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นการไม่กังวลการไม่ยึดถือนั่นแหละเรียกว่า วิหารธรรมของนักปฏิบัติพระอริยเจ้านั้นท่านจะให้ความสำคัญในเรื่องจิตมากโดยจะเน้นให้ดูจิตที่จิตยาทรงจิตออกนอกเพราะเมื่อแยกพันธะแห่งความเกี่ยวเนื่องจิตกับสรรพสิ่งทั้งปวงได้แล้ว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 ก็หลงอยู่ภายใต้อำนาจของเครื่องร้อยรัดทั้งหลายทั้งทางกายและทางใจอันโทษทันทางกายอาจมีคนอื่นช่วยปลดเปลื้องได้บ้างส่วนโทษทางใจมีกิเลสตัณหาเป็นเครื่องเร่งรัดไว้นั้นต้องรู้จักปลดปล่อยตนด้วยตนเอง ซึ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านพ้นแล้วจากโทษทั้งสองทางความทุกข์จึงครอบงำไม่ได้หรืออีกในหนึ่งจิตที่พ้นจากอารมณ์ขาดจากการปรุงแต่งแล้วทุกข์ก็อาศัยอยู่ไม่ได้เช่นกันเรื่องอารมณ์นั้น พระอริยะเจ้ายังมีอารมณ์อยู่แต่ท่านไม่เอามันความทุกข์จึงครอบงำไม่ได้การตัดอารมณ์ต่างๆก็เช่นกันไม่มีใครตัดได้ขาดมีแต่รู้ทันเมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเองกล่าวได้ว่า ที่สุดแห่งสัจธรรมหรือที่สุดของทุกข์นั่นก็คือความว่างเปล่านั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อใช้ปัญญากันทางธรรมแล้วบุคคลจึงไม่ควรเศร้าโศกอะไรอาวร์ถึงสิ่งภายนอกทั้งหลายที่มันผ่านพ้นไปแล้ว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 ให้รีบดึงกลับมาอย่าปล่อยให้มันไปรู้อารมณ์ดีหรือชั่วสุขหรือทุกข์ไม่คล้อยตามและไม่หักหานให้คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปที่มันเป็นธรรมดาของโลกจะเอามายึดถือ เป็นจริงเป็นจังตลอดไปไม่ได้นั่นคือค้นหาที่จิตอย่างเดียวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากจิตการจะรู้อะไรที่เราสงสัยก็ให้ดูที่จิตเช่นกันการดับทุกข์ก็ต้องดับที่จิตอีกนั่นแหละ เมื่อถึงเวลาที่เราจะตายก็ให้ทําจิตเป็นหนึ่งแล้วหยุดเพ่งปล่อยวางทั้งหมดหมายถึงออกฌานและดับพร้อมจิตของพระอริยเจ้าจึงเป็นกิริยาที่จิตยิ้มเองโดยปราศจากเจตนาที่จะยิ้มซึ่งจะเกิด ในจิตของเหล่าพระอริยเจ้าเท่านั้นไม่มีในสามัญชนเพราะพ้นเหตุปัจจัยแห่งการปรุงแต่งแล้วเป็นอิสระด้วยตัวมันเองเพราะฉะนั้นอย่าพยายามคิดว่าพระอริยบุคคลไม่ว่าในลำดับใดเป็นบุคคลที่มีอะไรผิดแปลก ไปจากคนธรรมดาสามัญท่านมีอะไรทุกอย่างเหมือนเหมือนกับคนธรรมดาสามัญทั้งร่างกายและจิตใจหรือถ้าจะว่าให้ถูกท่านเสียอีกเป็นธรรมดาสามัญปุถุชนตังหากที่มีอะไรผิดธรรมดาวิปริตไปด้วยการปรุงแต่งของกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุ แห่งทุกพระอาหารหันต์ท่านเป็นปกติธรรมดาพ้นจากการปรุงแต่งจึงอยู่อย่างไม่มีทุกข์พระอริยบุคคลที่รองรอ ง, รองลองมาก็มีการดำรงอยู่อย่างมีทุกข์มากขึ้นตามลำดับและกำลังดำเนินไปสู่การดำรงอยู่อย่างไม่มีทุกข์ วิธีดับทุกข์ก็แก้ด้วยการทำรงจิตให้ถูกต้องจะทำให้เห็นและเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เป็นจริงแล้วจิตใจก็จะสมบูรณ์ด้วยปัญญาสามารถรู้เท่าทันเหตุปัจจัยทั้งหลาย ที่เคยปรุงแต่งให้หลงโง่เขาก็จะถูกขัดเกล้าให้หมดไปบุคคลนั้นๆก็จะดำรงอยู่อย่างเป็นสุขปราศจากความทุกข์ทางวิญญาณโดยสิ้นเชิงเมื่อเราสามารถทำรงจิตได้ถูกต้องเราย่อมดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางสรรพสิ่ง ได้อย่างสบายสภาพสิงทั้งหลายที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นปัิปับันชักนำให้ทุกข์เกิดแก่เราก็จะกลับกลายมาเป็นมิตรมาเป็นเครื่องอำนวยประโยสะสุขให้แก่เราเพราะเหตุว่าแท้จริงนั้นสภาพสิงหาได้เป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่ ความหลงผิดตั้งหากที่เป็นตัวการเมื่อความหลงผิดถูกกาจัดสูญสิ้นไปเพราะการรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เป็นจริงการปรุงแต่งให้จิตหลงผิดซ้ำซำ้ซ้อนซ้อนก็สลายตัวลงอย่างราบคาบสันติสุขถาวรย่อมดำรงอยู่ ชั่วนิรันดรท้ายสุดจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นและที่ได้คัดเอาคำสอนของหลวงพ่อและหลวงปู่ทั้งสองท่านมากล่าวอย่างค่อนข้างละเอียดก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะให้ข้อคิดและสาระประโยชน์แก่ท่านบ้างไม่มากก็น้อย พร้อมกับมีแนวทางในการปฏิบัติได้ถูกต้องยิ่งขึ้นเพื่อที่จะก้าวไปให้ถึงหนทางข้างหน้าได้ในที่สุดหรือก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่นำจิตใจของท่านให้เป็นดุจการรับรู้ของกระจกเป็นกระจกสองใจ ส่องทางสว่างของชีวิตได้ในท้ายที่สุดจากใจจริงพัชระบูรณสุตันติวรคุณประธานกลุ่มเกตแก้ว21พฤษภาคม2547ถ้าท่านสนใจจะอ่านหนังสือที่ทางกลุ่มจัดทำทั้งหมดเปิดไปที่เวอร์วเว็บ เกดแก้ว c o m